จเจริญในธรราแล้วเดี๋ยวทุกคนพ อ, อเราจะปฏิบัติในสายไหนนะที่จริงก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าปฏิบัติในสายที่ท พ, พระพุทธเจ้าทรงสอนไวนะ้นะก็เป็นสายเดียวกันคนระับอย่างที่เราได้ตัวการวิธีนะวิธีจเจริญ ม, มากมีองค์แนะ นั่นแหละก็คือสายที่พระเจ้าท่านวางไว้สายอะไรก็คือทางสายกลางถ้าเราเดินทางสายกลางนั่นแหละคือสายที่พระเจ้าท่านสอนมาไว้แต่คนที่ไม่ได้เดินทางสายกลางเนี่ยก็จะเรียกว่าเดินทางสุดโต๊สองทางที่ยิงทางสายกลางเนี่ยมันเป็นทางที่มันมีมาเนอร์นานแล้วแต่เป็นแบบ ไม่มีคนคนครบนะเพราะพระเจ้าเป็นคนที่คนครบนะทางส่การทางสุดโตงนี่เป็นทางที่คนหรือว่าศัพส์ภาษาทั้งหลายนี่เดินผิดกันมาเนิ่นนานนะสุดโต่งด้านใดนะสุดโต่งในการที่จะเรียกว่าหมกมุ่นนะในการมักคุณก็ได้นะก็หลงหลงทาไหนหลงทาตาหลงทาหู หลงทางจมูกหลงทางวิ้งห ล, ลงทางตายหลงทางใจนะอันนี้คือทางที่เรียกว่าหลงนะหลงว่ตาเห็นรูปสวยก็ชอบเห็นรูปไม่สวยก็ไม่ชอบนะหูได้ยินเสียงที่สรรเสริญก็พอใจได้ยินเสียงที่นินทาก็ไม่พอใจนะใจมันคิดนะคิดชอบคิดชังนี่คือมันหลงนะ ทางที่หลงเตบในการมคุณต่างๆนะส่วนใหญ่มื่จะหลงในทางที่ชอบนั่นแหละนะในการมคุณนะนะด้านที่ไม่ชอบแล้วก็พยายามที่ปฏิเสธนะพยายามที่จะไม่อยากเจอะบางอย่างที่หลายคนก็รู้นะประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ในชีวิตนี้เราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจมากมายนะ ประสบการณ์พัดผ้าสูญเสียก็เป็นทุกข์นะได้สิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจมาแล้วก็สูญเสียไปก็เป็นทุกข์นะแต่ทุกข์แบบนี้มันเป็นทุกข์สำหรับคนที่ไม่รู้ความจริงนะแต่ถ้าคนที่มีสติมีปัญญานะแม้ต้องพัดผ้าจากสิ่งรักสิ่งที่พอใจก็ไม่เป็นทุกข์นะแม้เจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็ไม่เป็นทุกข์ แม้ต้องพักผ้าสูญเสียคนรักตายจากไปพ่อแม่ภาาจากไปลูกตายไปก็ไม่เป็นทุกข์อย่างของพระเทียนเองนะมันมีวันหนึ่งท่านท่านเทศสอนอยู่ที่วัดโมกขันแก่นก็มีญาติโยมจากทางบ้านนะมาหาท่านบ้านท่านอยู่ที่มังเลยนะจังหวัดเลยก็มาหาท่านบอกว่าลูกชายคนโตนะใน ไอเทียนเสียชีวิตแล้วนะหลวงพเทียนก็เทศอยู่ก็เทศต่อจนจบนะ่ะตอนต่อนจนจบญาติโนะยมที่มาบอกข่าวก็นึกว่าหลวงพ่อก็ได้ข่าวแล้วก็จะรีบรีบกลับไปที่บ้านไปดูศพลูกชายนะหลวงพ่เทียนบอกก็มันคนมันตายไปแล้วจะช่วยอะไรมันได้ตอนนี้ช่วยคนที่เป็นอยู่นะสอนธรรมะอยู่นะเดี๋ยวตอนเสร็จเราค่อยไปคือนะท่านก็เห็นว่ามันเป็น แม้มีการพัดพลาดสูญเสียนะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตนะิอนะไม่จะเป็นเรื่องไปทุบกับมันก็ได้นะแต่ก็ทำหน้าที่นะก็กลับไปทําหน้าที่จากพนักจิตสอกให้กับลูกชายก็ทําหน้าที่แต่ไม่ต้องสูญไม่ต้องไปเสียใจก็ได้นะนะหรือเราเป็นโรคร้ายเป็นโรคภัยไข้เจ็บเราก็เห็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่อาจจะไม่น่าพึงปรารถนาเนาะนะนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมีความทุกข์ทางกายเกิดขึ้น มันก็เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าคนมีปัญญายก็ไม่ทุกใจกับเรื่องตัวนี้นะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเอ๋ตรงเนี้ยเราจะมามาเห็นว่าข้อที่จริงความจริงของความธรรมชาติเนาะจะเรียกว่ามีสองด้านก็ได้ด้านทุกกับด้านที่ไม่ทุกนะด้านที่มันมีความทุกนี่นันก็เป็นความจริงแท้ของมันเหมือนกันนะแต่มันก็จะเห็นอีกด้านหนึ่งว่าไม่จำเป็นต้องทุก็ได้นะ ถ้าคนอขาดสตินะมันทุกข์เนี่ยมันก็จะจมกับความทุกข์เนหะมือนกับคนว่ายน้ําไม่เป็นนี่แหละนะจมน้ำเมื่อไหร่ที่มันลึกเล็กสักหน่อยก็ไม่สามารถนะเอาตัวรอดได้แต่คนที่มีปัญญานะไม่จะจมน้ำลึกขนาดไหนเขาว่ายน้ําเป็นนะเขาก็สามารถอืมเรียกว่าปล่อยใจจากน้ําที่ลึกๆก็ได้พวกเราต้องเหมือนกันนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะ ถ้าเรามีปัญญามีสติมีปัญญานะแม้ในรอบรอบข้ามแม้ในชีวิตเราจะมีปัญหามีเรื่องราวที่นํามาซึ่งความทุกข์หลายๆอย่างแต่ถ้าเราใช้สติใช้ปัญญานะมันก็จะทําให้เราไม่ทุกข์ก็ได้นะมันก็เป็ีป่ยนเพียงแค่ปัญหาของตายมันเป็นปัญหาเรื่องงานเป็นปัญหาภายในครอบครัวบ้างแต่ใจเราไม่จะเป็นทุกข์ก็ได้อันเนี้ยเราจะใช้แบบเนี้วิธีการานี้ พุกเนีย่ยมีใบเพื่อแก้ไม่ใช่มีใบเพื่อกุ้มนะแล้วก็ไม่ใช่แล้ววิธีการปฏิบัติแบบแบบพระพุทธเจ้านะท่านให้เราเรียนรู้ทุกไม่ใช่ให้เราหนีความทุกน้องคนคิดว่าน่ต้องไปออกจากสังคมหรือต้องออกไปบวชถึงจะเป็นวิธีแสถงหาทางออกจากความทุกได้ แต่ที่จริงวิธีการที่จะแสดงหาทางออกจากความทุกข์นะเพราะฉันสอนให้เราเรียนรู้จากความทุกข์ก่อนความทุกข์มันอยู่ที่ไหนให้เราเรียนรู้จากความทุกข์เมื่อเราเรียนรู้จากความทุกข์แล้วเราถึงจะออกจากความทุกข์ได้นะถ้าเราโมจะเที่ยวหนีความทุกข์เราจะไม่รู้วิธีที่จะออกจากความทุกข์จริงๆหรอกเราก็แค่ดลบแค่หนีแค่พักชั่วคราวเหมือนคนทั่วไปนักส่วนใหญ่ พอเครียดพอกุ้มใจก็ไปกินเหล้าไปเที่ยวเตไปหาอย่างอื่นทําให้มันหายจากความทุกข์ชั่วคราวอันนั้นเป็นวิธีหนีความทุกข์นะหรือเป็นวิธีกดกดกดอารมณ์ตะเห็นชั่วครังชั่วคราวไปแต่พระเจ้าท่าสอนให้เราเรียนรู้จากความทุกขนะ์ทัานสอนเรื่องสัมมาทิฏฐินี่แหละนะให้รู้จักว่าทุกข์จริงๆเนี่นคืออะไรนะ ให้รู้จริงๆว่าสาเหตุของความทุกข์คืออะไรนะให้รู้จักว่าทางที่จะออกจากความทุกข์และความไม่ทุกขจริงๆคืออะไรนะดังนั้นชาวพุทจริงๆนะต้องมีสัมมาทิฏฐนะิความเห็นที่ชอบะความเห็นะเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละเห็นว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นทุกขนะ์นะอกายนี้ใจนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขชั่ว มันเป็นสุขก็แค่ชั่วคราวนะแต่ถ้าเราเห็นความจริงแล้วนะนะกายนี้แม้มันเป็นทุกข์แต่เราก็อยู่กับมันไนดะ้อย่างไม่ทุกข์ก็ได้นะใจนี้แม้มเป็นทุกข์ทุกข์โดยสภาวะนะทุกข์โดยสภาวะก็คือว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะมันไม่คงที่นะนี่คือทุกข์ในปาษาพระคือมันไม่คงที่นะเช่นความคิดของเราเนี่ยมันคิดขึ้นมานะเดียวอีกนาะทีข้างหน้าก็อาจจะเปลี่ยนลนะ้ว อย่างตอนเช้าบางคนตื่นขึ้นมางูเงียงงเงียออกกําลังกายนิดหน่อยล้างหน้าแต่งตัวนิดหน่อยก็สดชื่นขึ้นมาแล้วเะันจิตใจตอนแรกมานอาจจะงเงียะพอตื่นขึ้นมาทําอะไรต่างๆก็มันก็เรียกว่าสชื่นขึ้นหรือเราหรือบางคนตื่นขึ้นมาสดชื่นดีพอไปได้ฟังข่าวที่ไม่ดีพอไปเจออะไรตีนไม่ดีใจก็อ่อเหี่ยงใจก็ซึมขึ้นมาก็มี อันนี้คือทุกข์ในสภาวะก็คือมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่เรื่อยนะเรามาเรียนรู้ความทุกข์ตรงนี้แหละเราจะไม่มีความทุกข์นะเรากลับมาเรียนรู้กายนี้นะมันแสดงความทุกข์อะไรให้เห็นก็ดูมันไปใจนี้ก็แสดงความทุกข์อะไรให้เห็นเราก็เรียนรู้ดูเข้าไปอันนี้เป็นการเรียนรู้ทุกข์นะแต่สำคัญเลยนะเราเรียนรู้ตรงทิศตัวทุกข์ตัวทุกขนะ์กอยู่ที่ไหนตัวทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่คนรอบข้าง ไม่ใช่อยู่คนที่มาตําหนิเราไม่ใช่อยู่คนที่มาทำร้ายเราไม่ได้อยู่ที่อากาศมันร้อนนะไม่ได้อยู่ที่ว่าเพราะเราแก่แต่ทุกข์เพราะว่าเราะไปยึดมันนั่นเองเพราะเราไปยึดว่ากายนี้เป็นของเราเมื่อกายมันเจ็บเราก็เลยทุกข์ด้วยเมื่อกายแก่เราก็เลยทุกข์ด้วยเมื่อกายมันตายเราก็เลยทุกข์ด้วยเนี่ยทุกข์เพราะเราไปยึดนะ เพราะามีความเห็นคิดก็ว่าได้นะัเรามาดูตรงนี้นะมาเห็นความทุกข์นะมันเป็นเรื่องของของอะไรนะทุกข์ก็เราเห็นคิดนี่เองนะเราก็จะมาเห็นถูกขึ้นมาถ้าเราเห็นจริงๆนะเราก็จะเห็นถูกว่านะที่จริงทุกข์ก็เราไปยึดไปถือเราไม่เข้าใจความจริงนี่เองนะั่นะเราก็มาทําความเข้าใจเรื่องทุกข์นะก็คือพยายามทำให้เมื่อเราทําความศึกษาควาจริง ควงเห็นของเราก็จะถูกต้องมากขึ้นแต่ก่อนเคยไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนะต่อมาก็จะกลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองใหม่ๆอาจจะเผลอไปบ้างเผลอไปโทษตัเองนะทําไมเราถึงโกรธทาไมเราถึงคิดไม่ดีทําไมเราถึงมีนิสัยแย่แยๆวันนั้นบ้างแต่ในภาคการปฏิบัติมันก็มีเช่นนั้นอยู่นะแต่เราก็ต้องผ่านมันให้ได้เหมือนกันบางทีเราก็แต่ก่อนเคยโทษคนคอื่นต่อมามาโทษตัวเองมันก็ทุกข์เหมือนกันนะ บางที่ทษหนักประาโทษคนมื่นในตั้งนะโทษคน อ, อื่นเนี่ยรู้สึกตัวเองดีตัวเองถูกนะแต่โทษตัวเองเนี่ยมันหาทางออกไม่เจอแต่เราก็มาเรียนรู้ดูว่าไอ้ความคิดหรือความรู้สึกนะอยู่ในใจของเราเองมันต้องไม่เที่ยงเหมือนกันนะนะตอนนี้มันุู้สมันคิดไม่ดีแต่สักพักนึงมันก็เลิกคิดไม่ดีแล้วนะหรือแม้แต่ความคิดที่ดีๆเราไปยิดว่าตัวเองดีตัวเองถูก แต่สักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปคิดไม่ดีก็ได้หรือไม่สรือคิดแบบเป็นต่างๆก็ได้มันเปลี่ยนไปแนะม้แต่ด้านดีก็ตามดัานไม่ดีก็ตามหรือด้านที่เป็นกลางๆก็ตามมันก็ไม่เทนะี่ยะดูลงไปตรงนะั้นดูลงไปทุกอย่างนะดูลงไปในความไม่เที่ยวดูในตรงไปในความเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็คือมันทนอยอาการเดินไม่ได้ดูลงไปในสภาวะที่มันเป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน บังคับบัญชาไม่ได้เปลี่ยนไปตามเหตุนะตามปัจจัยภาษาพราณีว่าอันตต่างเราปฏิบัติทำนะเราพยายามดูกายดูใจลงลงไปในไตรักหลวงนะพ่อเขีย น, นทิ้งบอกว่าอะไรต่างเนี่ยทิ้งลงไปในถังขยะไตรักทั้งหมดเลยนะเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายเน่ยทิ้งลงไปในเหมือนคล้ายๆหลวงพ่อบอกเขียนเหมือนเป็นถังขยะขอไม่ดีเนทิ้งลงไปเลยทิ้งลงไปในถังขยะไตรัก ทุกอย่างเป็นแบบนี้แหละนะมันรวงลงทั้งหมดแล้วนะเราศึกษาตรง น, นี้ก็เหมือนกันนะนะเราปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เพื่อให้จิตมันเทียบนะ่ะไม่ให้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตมันสงบถาวรดีถาวรสุขถาวร น, นะให้มันไม่คิดให้มันไม่ฟุ้งซ่านให้มันไม่ง่วงนะบางคนปฏิบัติธรรมแล้วก็งุนหงิดนะทําไมไมันม่วงทําไมไมันคิดเพราะเราอยากจะให้มันไม่ง่วงถาวร น, นะ เพราะเราอยากให้มันสงบสบอายเพราะเราอยากให้มันสุขสบายมากๆ น, นี่คือเพอะไรเราเห็นผิดนแต่เราเห็นว่า ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันไม่เทียมเมื่อเช้านี้มาสง บ, บดีสายอาจจะคุ้มซ่ามบ้างไปบ่ายกินข้าวมาก็อัดง่วงนอนอันนี้คืออะไรคือเขาสแสดงความไม่เที่ยมให้เราเห็นแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนะ อยากสงบเหมือนตอนเช้าอยากสงบเหมือนตอนสวด ม, มนต์อนะ่าตอนนี้ทุ้มต้านตอนนี้ง่วงนอนไม่ชอบเลยที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตเราไม่ชอบอนะไม่ใช่ทุกข์เพราะสภาวะทุกข์เพราะสภาวะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ถ้ามันทุกข์นักก็คือจิตมันไม่ชอบนั่นแหละนะถ้าเราเห็นตอนนี้นะนะเห็นความจริงเนะี่ยเราจะมีสมาธิจิตอนะ่หรือถ้าเราจะคิดเราก็สามารถคิดในทางที่ชอบได้นะ คิดในการที่จะออกจากกามเนี่ยก็เป็นการที่ถูกนะออกจากกามไหนออกจากกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ท, ทางกายทางใจนะออกจากการไม่ใช่แปลว่าต้องออกบวชอย่างเดียวนะก็คือว่าไม่หลงในทางรูปนะเห็นของสวยก็ไม่หลงไปยึดนะในของสวยงามนั้นว่าเป็นของสวยงามตลอดเวลานะเห็นหรือว่าได้กินอาหารที่อร่อย ก็ไม่ไปติดใจในรสชาติอาหารนั้นอยากจะไปกินอีกหรือว่าคิดถึงแต่มันอีกแปลว่าเป็นการละเรื่องรสชาติจะได้หรือจิตมันคิดถึงแต่บุญคิดถึงแต่ความสุขตอนเป็นเด็กตอนที่มีความสุขในชีวิตปฏิบัติรมแล้วก็บางทีเราก็มีนะบางทีปฏิบัติแล้วก็บางทีความคิดมันคิดไปถึงตอนที่มีความสุขนะพอยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เองมีไหม มีความสุขจะเดินเดินไปก็คิดไปนะเดินไปก็ยิ้มไปมีความสุขนะอันนั้นก็ไปติดในความสุขเหมือนกันนะต้องระบังนะอันนี้คือเราจะเรียกว่าเป็นการละออกจากการงนี้ทางอยายตนะทั้งหกนะละออกมาตรงนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นการละ ก, กามนะหรือคิดในการไม่เบียดเบียนคิดในการไม่มุ่งร้ายผู้อื่นเนี้ยก็เป็นการคิดที่ชอบนะ ที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถคิดได้นะแต่คิดในทางที่ชอบหรือเปล่านะแต่คนทัาวใหญ่จะคิดในทางที่ไม่ชอบนะคิดแล้วก็ติดแต่ในกลางอันนี้สวยอันนี้ดีอยากจะได้นะอันนี้ไม่สวยอันนี้ไม่ดีไม่อยากจะได้นะหมกมุ่นคนคิดนะแต่ในการคิดตรงนี้ต้องคิดในทางที่ชอบนะคิดในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นคิดในการไม่บีบเบียดผู้อื่น คิดในการที่จะระตามออกมาอันนี้คือการคิดที่ชอบการพูดจาก็สามารถพูดได้นะแต่บางครั้งเราก็เก็บอารมณ์เราปิดวาจาบ้างเพื่ออะไรเพื่อดูดูใจเราที่หมินดิ้นบางทีเราปฏิบัติธรรมบางคนก็ทำไมไม่ให้พูดแต่ในชีวิตจริงของเราไม่ต้องพูดชะวี่จริงมันก็พูดได้ถ้าพูดชอบให้พูดสอดเสียดไม่พูดเฟิเจอร์ไม่พูดคำหยาบให้พูด ทเทอะนะมันก็พูดได้แต่บางทีเนี่ยเราไม่คนพวกเราบางคนก็อาจจะไม่ค่อยพูดเทเด็จอยู่แล้วรักษาศีนได้ดีแต่บางทีที่เผลอบ่อยคือเฟเจอร์นะพูดอพูดเรื่องหนึ่งแล้วจะต่อไปอีกสิบเรื่องนะเหมืนนะเคยไหมพูดไปเรื่อยเลยนะพูดไปเรื่อยเป็นสาระบ้างไม่เป็นสาระบ้างอันนี้เรียกว่าพูดโฟเจอร์ไปมันก็ถ้าจะว่าไป ทำให้ใครเดือดร้อนไหมก็อาจจะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแต่มันก็ขาดสติขาดสติหลงไปในคําพูดหลงไปในความคิดอันนี้ก็คือเป็นศีลเหมือนกันแต่การที่เราพอเราปฏิบัติทำทําไมถึงเน้นการพูดน้อยหรือบางครั้งก็เน้นการไม่พูดเลยเพราะอะไรบางทีเราจะเห็นความอยากพูดมันปุดขึ้นมาปุ้ดขึ้นมาบางคมก็รู้สึกพูดขึ้นมากลางหนนะ้า อ, อกมันมันอยากจะพูด บางคนก็รู้สึกมันจุกที่ที่ลําคอมันอยากจะพูดบางคนอาจจะรู้สึกคันปากนะฮะอยากจะพูดเห็นหน้าเพื่อนเห็นหน้าคนตกใจก็อยากจะพูดกับเขาด้วยมันจะทําให้เราเห็นความรู้สึกตัวเองชัดขึ้นนะแต่ก่อนเราเคยคิดปุ๊บก็พูดปับนะแต่พอเรามามีกติการนิดหนึ่งเออเราช่วงนี้เราจะมีพูดมันจะเห็นความอยากเห็นความอยากพูดนะเป็นความอยากถาม หรือบางทีเวลาเราปฏิบัติบางทีถ้าเราเน้นปฏิบัติแบบในรูปแบบแทบทั้งวันเนะี่ยบางทีมันจะมีจิตบางอย่างที่มันอยากจะไปอยากจะไปทํางานอย่างอื่นบ้างาเห็นเห็นแม่ครัวทํางานนะจิตก็คิดอยากจะไปช่วยแต่ตอนไม่เก็บอารมณ์ไม่ปฏิบัติเข้มนะก็ไม่ได้คิดจะไปช่วยเข้าวดอกนะออืเนี่ยมันจิตหนึ่งแบบนี้ก็มีหรือบางทีอยู่กติอยู่ที่พักเลยนะ ปฏิบัติเก็บอารมณ์ไปสามสี่วันเห็นนั่นนี้ก็รบเห็นนี่ก็ไม่เรียบร้อยอยากจะไปทําตอนที่อยู่มาหลายเดือนเนี่ไม่รกนะอะอยู่ได้นะแต่พอให้อยู่ในอารมณ์ปฏิบัติตอนนั้ น, น, น, นมันจริงจิตมันดิ้นหลดอยากจะไปทําอย่างอื่นนะมันทีเราก็ต้องมีกติกาเนี่ยเพื่อจะได้เห็นอะไรเห็นจิตที่มันดิ้นนะอยากจะไปพูดอยากจะไปทํานั่นทานีนะ่อยากจะไปพักอยากจะไปอะไรก็แล้วแต่ นั้นโอกาสที่ดีนะบางทีเราก็ต้องมีโอกาสที่เรียกว่ามีกติกาของตัวเองบ้างเช่นให้พูดคุยหรือว่าไม่ทําอย่างอื่นลองทําเสแต่ตรงนี้ลองดูบางทีเนะี่ยเรายกมือก็ดีเราเดินก็ดีบางทีก็เบื่อนะเบื่อบางทีก็ม่วงอ่านะแต่ลองทํำดูสิเราจะสามารถข้ามความม่วก็ได้เราจะข้ามความเบื่อก็ได้นะอ่านะแต่ถ้าเรายอมแพ้มันเนี่ย เราไปเปลี่ยนไปพูดคุยเปลี่ยนไปทำอื่นนะเราไม่ทันได้เรียนรู้จักว่าความม่วงเนี่ยี่จริงๆมันก็ไม่เทีย่ยงความเบือที่จริงแล้วก็ไม่เทีย่ยงเราทนอยู่กับมันสักพักหนึ่งอาจจะครึ่งวันอาจจะชั่วโมงหนึ่งมันก็ไม่เทีย่ยงมันก็หายไปแต่ที่จริงนะความจริงแท้ที่จริงแล้วมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเร็วกว่า น, นั้นอีกอะที่จริงเช่นตอนนี้เราสมมติบางคนม่วง แต่พอเรารู้สึกตัวเนี่ยมันจะหายง่วอ่าแต่คราวนี้มันอาจจะม่วงมาใหม่ก็ได้นะอ่าแล้วก็อาจจะพอเราตัวใหม่ก็หายง่วคล้ายๆมันสลับกันไปนะ่จริงจิตนะจิตมันรู้อารมณ์ได้ทีได้ยามเมื่อไรที่จิตมันไปรู้สมมติรู้กายเพตอะนั้นจิตมันก็ไม่รู้สึกง่วงนะนะแต่พอจิตมันเผลอจะการรู้กายก็อาจจะไปนไปจมกับความม่วงบ้างก็ไม่เป็นไร อันมามาเปรียบเทียบเหมือนคล้ายเหมือนเราจมน้ำนั่นแหละนะบางครั้งเราก็จมน้ํานะหายใจไม่ออกอยู่ใต้น้ําแต่บางครั้งเราก็ดีดตัวขึ้นมาอยู่พ้นน้ําได้นะก็ต่อลงหายใจสักพักหนึ่งแต่ก็อาจจะจมน้ําใหม่อีกนะถ้าเรานะขยันขึ้นมาสักหน่อยเราก็ดีขึ้นมาอีกมันก็ต่อลมหายใจได้แต่ถ้าเราจมกับน้ําตลอดนะแล้วก็มีแต่ตายเหนะมือนคนที่ง่วงนะ ง่วงแล้วก็ไม่ยอมปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมานะมีแต่เจริญเหมือนกับคนจมน้ําแล้วก็ไม่ยอมตึ่สู้ขึ้นมานะก็มีแต่ตายนะอันนั้นถ้าเราแม้ง่วงนะแต่เราก็รู้สึกตัวแท้ขึ้นมาบ้างแท้ขึ้นมาบ้างแท้ขึ้นมาบ่าาบ่อยเดี๋ยวเราก็จะรู้จักวิธีนะที่จะออกจากความง่วงได้นะความคิดก็เหมือนกันนะความคิดเนี่ยมันจะมีมากขนาดไหนไม่เป็นไรเราพยายามแทนะ้แทก แท็กจิตที่รู้สึกตัวน่ะแทรกบ่อยๆแท็กบ่อยๆนะแม้จะคิดเรื่องเดิมนะก็ไม่เป็นไรมัคนควรจะมีจิตตัวเองทําไมคิดเรื่องนี้ตลอดเลยวันนี้นะทำไมมันคิดบ่อยเหลือเกินพยายามรู้สึกตัวแล้วมันก็ยังกลับไปคิดใหม่นะอันนั้นก็ดีแล้วน ะ, นะดีแล้วนะเป็นธรรมชาติเป็นปกติเราก็พยายามแท็กการรู้ตัวสลับไปไปเรื่อยๆแม้มันจะกลับไปคิดเรื่องเดิมอีก ร้ยครั้งพันผลก็ไม่เป็นไรแล้วก็แทรกวามรู้สึกตัวทุกครั้งที่เราระลึกได้มาแหละนะมันจะดีนะแต่ถ้าเราส่วนหนึ่งคือเราไม่ยอมแทรกความรู้สึกตัวนะความคิดก็จะยาวเลยหรือบางทีเราอาจจะมีความไม่พอใจทําไมมันคิดมากทําไมมันนะไม่สงหบเลยอันนี้ก็เป็นการคิดตอนคิดนะคิดตอนคิดอีกทีหนึง่ง นะมันก็เป็นการไปย้ำไปซ้ำตัวเองหลนะเงพ่อทองเขียนเคยเล่าให้ฟังว่าตอนท่านบวชใหม่ๆนะหลวก็เทียนให้ไปอยู่ที่วัดบา้านเกิดของท่านที่บ้านบุกงูวนะัดภาษาแรกนนนะนะไปจำํำราษาตอนนั้นก็มีหลวงตารูกนึ่งก็ไปไปปฏิบัตนะิอยู่ที่วัดด้วยกันนะหลวงตาก็ปฏิบัติ เดินอยู่ข้างลา่างหลวงพอ่อปฏิบัติอยู่ข้างบนเขาคงพอเห็นกันนะแต่ก็มีพงอีกต้นไม้พอพอปั่นกันบ้างเดินไปสักปั้มหนึ่งนะหลวงพ่อได้ยินเสียงเปียเปี้ยนะสองสามครั้งนะหลวงพ่อก็เลยไปมองดูหลองตาแล้วทําอะไรหนะลวงตาท่านเดินไปแล้วก็โมโหตัวเองนะเอารองเท้าแตะนะมาตีหัวเองเปี <c oughs> p ier, p ier, p ier ้ยเปียนะสองสาครั้งเลยโมโหถถถที่ทําไมไปคิดมากนะ ก็โกรธไปด้วยนะตีหัวนะทำไมไมันคิดมากกว่าเกินมันคิดมากกว่าเกินประมาณนะึงคือที่จริงความคิดนะอะมันต้องอยู่ในใจนะแต่ความโมโหเนี่ยมันทําให้เอามือไปยิบรองเท้าหัวป้ากหัวตัวเองมันไปคิดซ้อนคิดอีกทีหนึ่งนะให้ความคิดนัะจะคุ้มสร้างนะั้นเองชั่งของมันนะแต่พอเรารู้ไม่ทันเราก็เกิดความโกรธเกิดโทสะขึ้นมาก็เลยทาร้ายคนอื่นตัวเองใช่ไหมอันเนี้ย มันต้องระวังนะที่จริงเราให้เป็นการต่อความคิดมันคิดก็เรื่องของมันเราจะกลับมารู้สึกตัวใหม่นะมันจะหลงเรื่องของมันล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่ทาแค่นี้ก็พอถ้าเราวางใจแบบนี้ได้นะมันจะคิดก็ไม่เป็นไรหน้าที่หน้าที่ของความหลงมันก็เลยส่งให้จิดไปคิดเราทาหน้าที่อย่างหนึ่งเราทาหน้าที่ของความรู้ก็คือฝึกให้รู้สึกตัวนะ ความหลงมันก็เรื่องของมันความคิดก็เรื่องของมันนะเหมือนกับรถอะที่มันวิ่งวิ่งคนละเรนกันนะ้วนถ้าเรารู้ว่าเรนเราอยู่ตรงเนี้เราจะาพยายามรักษารเรนเราให้ดีนะจะไม่เป็นไปสานงานกับเรนตรงข้ามนะคนละเรนกันตอนที่เราหลงก็คือเราเผลอขับรถไปไม่เดินทางที่มันผูกไปเดินทางไปสวนทางกับความคิดนะก็จะเกิด อุบัติเหตุหรือการชนกันได้แต่ถ้าเรากลับมาอยู่ในทางที่ถูกทางที่ถูกคือทางที่รู้สึกตัวไม่ใช่ทางที่ไปจมกับความคิดนะจินตนาการถูกไหมเหมือนรถเอาง่ายๆเหมือนรถ่องเลนนะนะเดนคู่นะเราก็วิ่งของเราไปเดนนี้นะเราที่สวนมาก็เขาก็วิ่งของเขาสวนหนึ่งความคิดก็วิ่งเดนของเขาความรู้สึกตัวก็วิ่งเลนของความรู้สึกตัวสิเพืได้มีสวนทางกัน มันสวนทางกันจะได้มีชนกันนะเราก็ทำหน้าที่ของเราในการรู้สึกตัวก็พอแล้นะมันจะคิดมันจะง่วงมันจะอะไรก็แล้วแต่ไหวเป็นแบบนั้นนะถ้าเราทํำแบบนี้ได้ไ่อยนะมันก็จะผ่านได้สบายพอท่าสติสมาธิมันเด่นขึ้นคราวนี้มันเหมือนเหมือนทางแบบคล้ายๆขาเข้ากับขาออกมันอยู่คนคนละฝั่งไปเลยมีเกาะตรงตานะ ความคิดความหลงอะไรต่างๆก็วิ่งของมันไปเหมือนถนนวิจารภาพนะไปอีสานนะขาออกไปฝากช่องอะไรก็คนละเดนกันขาเข้ามากรุงเทพก็คนละคนละด้านกันเมันเห็นกันอยู่นะแต่มันไม่เป็นตารางอ่ามันเป็นมัตสบายเลยนะถ้าสติของเรามาเด่นมันชัดขึ้นมานะมันจะเห็นว่าความคิดอารมณ์เนี่ยมันมัอยู่ตัางหากจิตคิดรู้สึกตัวก็อยู่ต่างหากมันไป เราทําแบบนี้เรื่อยๆสติมันจะตั้งมั่นมันจะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมมันแสดงากรต่างๆนะสติก็ทําหน้าที่เป็นแค่ผู้ดูเฉยมันตั้งมั่นมันมันมีทุกอย่างอยู่ในตัวนะอกุลเกิดขึ้นมามันก็ละได้กคุณเกิดขึ้นมานะมันก็ไม่ยึดหลงติดนะบางทีท่าตางๆเดีวเรียกว่า ประคองกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะให้อยู่ต่อไปอะไรประมาณนะี้แต่จริงกุศลจริงๆคือมีสติทีละครั้งนะ่ะมีทีละครั้งทีละครั้งให้กุศลนะนะไม่ใช่แบบประคองมันอยู่ตลอดหรอกแต่คือสร้างใหม่สร้างให ม, ใหม่ก็คือรู้ใหม่รู้ใหม่ทุกครั้งนะั่นแหละมันจะมันจะถีบมันจะต่อเนื่องเลยๆนะเหมือนเราบางคนเคยได้ยินว่าสติต่อเนื่องนะสติเป็นอัตโนมัติสติเป็นรูปโซ่ เพราะทีนึงก็พยายางอธิบายเหนว่าจริงมันเป็นลูกโซ่มันเป็นเหน็บเส้นขก็คือมันเป็นครั้งเป็นครั้งมันต่อเนื่องมันเกี่ยวเนื่องกันไปแต่ไม่ใช่ไปทําที่มันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่เพราะจิตเพราะจิตมันจะรู้อารมณ์ที่ทีละอย่างมันไม่ใช่เป็นจิตดวงเดียวนะแล้วก็ทุกอย่างเกิดขึ้นในจิตดวงนี้ไม่ใช่แต่จิตนเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นแบบนี้ของมันไป เราศึกษาไปเราจะค่อยๆเข้าใจความจริงตรงนี้นะบางคนก็เข้าใจเริ่มเข้าใจบ้างแล้วนะหรือบางคนกนะ็ยังไม่เข้าใจก็ฟังได้ก่อนแต่ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกอย่างน้อยก็ได้เกิดจากการได้ฟังในสิ่งที่ถูกนะว่าเราปฏิบัติเราก็จะปฏิบัตนะิในทางที่ถูกเหมือนที่อาจมาพูดในตอนต้นว่าให้เห็นทุกอย่างรวมลงไปในใจรักทั้งหมด ถ้าเราเห็นว่ามันอะไรมันก็ไม่เที่ยงนะอะไรมันก็ไม่แน่จิตมันจะวางทุกอย่างง่ายๆนะแต่ถ้าเราอยากจะเอาทุกอย่างมันแน่เนี่ยจิตมันจะมันจะมีเรียกว่ามีปฏิยาทำไมมันไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดทำไมไม่เป็นอย่างที่เราต้องการทำไมไม่เป็นเหมือนเรานมันจะมีความคิดความเห็นไปยึดไว้แต่เราเห็นว่ามันก็ไม่แน่เหมือนก็ไม่แน่นะมันก็ไม่เที่ยงนะ เราจเอาตัวเราเป็นฝุ่นกลางของทุกอย่างได้อย่างไรล่ะนะี่มันก็ใจมก็ว่งกันเองนะปฏิบัติที่เป็นเห็นทุกอย่า ง, อองก็ยอมรับว่ามันเกิดของไม่เที่ยงของไม่แน่นะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปของมันนะเป็นธรรมชาตินะโลกก็เป็นแบบเนี้แหละนะตัวเราเองก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละถ้าเรากลับมาศึกษาตัวเราเองมันเที่ยงไหมกายนี่มันเที่ยงไห ม, ม นั่งเมื่อกี้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยพอพักก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยนี่มันไม่เที่ยงนะอกินข้าวว่ายิ่มดีแล้วพอซักหนึ่งก็หิวใหม่ตอนนี้ไม่ปวดฉี่ไม่เกินครึ่งวันก็ต้องไปฉี่ยันต้องแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นใจยิ่งแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นบ่อยมากะเดี๋ยวมันก็คิดนั่นคิดนี่ไม่อยู่ที่ หรือควางทีก็รู้สึกตัวบางทีก็ห่ ง, งไปอันนี้มาแสดงความไม่เครียดให้เห็นเราก็แค่ยอมรับตรนะนะั้นแหละยอมรับแล้วก็กลับมารู้ตัวใหม่กลับมารู้ตัวใหม่บเบาๆนะอย่าไหลไปกับความคิดนะแม้ต้องคิดมาแสดงนะแต่เราอย่าไปแสดงกับเขากลับมารู้ตัวกลับมารู้ว่ากําลังทําอะไรอยูนะ่นี่คือความรู้สึกตัวนะรู้ว่ากายกำลังทําอะไรนะแต่ไม่ต้องไปพูดก็ได้นะว่า แค่กำลังนั่งแค่กำลังยกมือแค่กำลังเดินะแค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆเห็นเป็นกายที่้ายเห็นเป็นหุ่นยนต์นเห็นเป็นอาการของกายเห็นเป็นรูปแต่ไม่ต้องไปจินตนาการเป็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาษาก็ได้แต่ถ้าบางครั้งจิตมาเผลอไปพูดเองก็ไม่เป็นไรก็วางไปอย่าไปยึดอย่าไปแบบไม่น่าพูดไม่ได้คิดแบนั้นเนาะ ถ้ามันพูดเองก็รู้รู้ทันก็มันพูดแล้วก็บางตรงนั้นนะให้เป็นไร น, นะน่ะเห็นกายดวงที่ปัจจุบันว่ากำลังทำอะไรแล้วก็เห็นกายมันทําต่อไปเรื่อยๆเห็นเขาว่านะมันก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นอย่างภาพประตูที่เขาฉายในโทรทัศน์เขาบอกแต่ก่อนนะมันก็เป็นรูปวาดซ้อนๆอออออประกอบกันไปนะมันไปเรื่อยๆเราก็เห็นกายของเราเนี่ยคล้ายย เพื่อนไปเรื่อยๆเสื oh. <S 2>. <S 2> ่อนไปเรื่อยๆจากท่านนั้นท่านนี้ไปเรื่อยๆนันก็ซ้อนไปเรื่อยๆจิตมันก็เห็นมัอนนะเห็นไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่ภาพเดียวกันแต่มันเป็นสิ่งที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆบางครั้งมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นอเห็นเห็นมันปุดขึ้นมารู้แล้วแล้วก็วางไปรู้แล้แล้วก็วางไปการวางก็คือการที่เรียกว่า ไม่ไปปรุงแต่งต่อนะถ้าจิตมันรู้สึกตัวเนี่ยมันจะวางเองนะแต่ถ้ามันยังไม่วางแล้วก็กลับมากลับมารู้ตัวกลับมาดูกายก็ได้นะอันนี้คือเราทําแค่นี้แหละอนะเราห้ามไม่ได้นะห้ามให้จิตไม่ที่จะคิดไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือไม่ไปคิดต่อไม่มีปุงต่ออันนี้คือสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้นะ น, นี่คือในการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราจเจริญ ในมัจมีงคแตกกันนี้แหละก็คือทางที่ถูกทางที่ชอบทางที่หลงก็อยาไดบอกหลงไปทางรูปรศเสนเสียงต่าตๆหรือทางที่หลงทางก็คือทางที่หลงไปไปไปแช่ไปจมหรือไปกดข ม, ม, นะมความคิดไปขมความคิดหรือไปแช่ไปจมอยู่กับความสุขความสบายนะอันนี้ก็เป็นทางสุดโตผิดานะ พย่ายามเหือกันนะพยายามไปห้ามไปโกรธไปประคองจิตให้สงดอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นการไม่ทําให้เราไม่ได้ศึกษาความจริงของธรรมชาติออไปตายไปหลกซ้อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนั้นทางสายกลางเนี่ยเป็นทางที่ชาวพวกพวกเราทุกคนคนที่ศึกษาให้เข้าใจเนาะให้เข้าใจว่าเราต้องเดินเดินทางอย่างไรทั้งทางกายรางวาจา หรือว่าทางใจบนะางคนก็แยกเป็นสีวิปามาที่ปัญญาก็แล้วแต่อั น, นี้ก็แต่เราก็เกินแบบนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมรูปนะแบบต่างๆวิธีการย่มือซ้ำเชิงวัดุูลหายใจหรือบริกรรมพุโทโธนะถ้าจิตมันเดินในทางนี้อยู่ก็ถูกเหมือนกันนะทำให้สีมันเกิดขึ้นกนะายวาจาเป็นปกติไม่ทาร้ายคนอื่นนะ ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ก็เกิดสิ่งแล้วนะจิตใจมีสมาธิตั้งมั่นกับสิ่งที่ทำอยู่นะทําอะไรก็รู้ตัวในสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามีสมาธิแล้วเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะเราเข้าใจว่ามันเป็นสภาวะธรรมทุกอย่างเป็นสภาวธรรมมันสภาวะธรรมแสดงความไม่เที่ยงสภาวะธรรมแสดงความเป็นผู้สภาวะธรรมแสดงความไม่ใช่ตัวตนเรากเข้าใจตรง น, นี้เราผอ ม, มีปัญญาแล้ว เนี่ยถ้าเราเดินแบบเนี้ยจะเดินแบบไหนก็ได้นะแต่วิธีการนี้ก็จะช่วยให้เราปลุกสติขึ้นมาเคลื่อนไหวทําให้แก้ความวงได้เคลื่อนไหวทําให้ปลุกธาตรู้ขึ้นมานะปลุกธาตรู้ขึ้นมาไม่จมกับความคิดไม่จมกับความสุขนะเราเพยายามเคลื่อนไหวไบ่อยๆนะเคลื่อนไหวแล้วก็รู้นะอย่าเคลื่อนไหวซฟรีๆนะบางทีเราก็เคลื่อนไหวเป็นอตัตโน ม, มัตินะ แต่ก่อนที่เราแปรงฟันเราล้างหน้าเรากินข้าวเราเดินแล้วเราก็หลงเรามายกมือสั้นจฉงบัแกแรกๆใครจะเกรงนะจากคนใหม่ๆเกรงกลัวผิดนะกลัวกลัวไม่ถูกนะแต่พอทําไปสักพักหนึ่งก็ทําไปได้กายก็ยกไปใจก็คิดไปนะตายก็ จ, จะเดินไปใจก็คิดไปอันนี้มันก็มีความเพลินนแต่ก่อนพยายามอย่าเดินฟรีฟ เลยนะั่นก็พยายามรู้ตัวยกเหนือต้องพยายามรู้ตัวนะแต่อย่าไปเคร่งเครียดเกินไปนะทนําเล่นๆนะเผอไปบ้างก็ไม่เป็นไรเผอก็ว่าเผอไปก็กลับมารู้ตัวใหม่เผอไปแล้วก็กลับมาใหม่นะไม่กิงจังนะไม่เคร่งเครียดแต่ก็ไม่ย่อหย่อนจนกรทั่งทําไปคิดไปเนาะทา ง, ทา ง, ทนะทางสายตาคือตรงนี้แหละนะเราจะทําใจให้เป็นกลางได้ไรื่องอะไรก็ตรงนี้แหละนะใจผ่อนคลาย แต่มีความรู้ตัวอยู่นะไม่ใช่ทําแบบจริงจังเคร่งเรียดนะทำจริงอยนะ่างเครียดเนี่ยใจมันพุ่งนะใจมันพุนะ่งไม่ใช่ทางสายกลางนะนะหรือทําไปแต่ท่าทางข้างนอกหายใ จ, จยก็คิดก็กรุมก็แต่งอยู่ก็ไม่ใช่ทางสายกลางเหมนกันนะบางครั้งนะคนฝึกใหม่ๆก็บางทีก็เดินสู่ทางบางทีก็หลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะถือว่ารู้ตัวว่าหลงก็กลับมารู้ตัวว่าหลงก็กลับมา คล้ายเหมือนกับเราขับรถนะบางทีก็เผลอเผลอออกไปตกข้ามซ้ายบ้างจะตกทางบ้างบางทีก็เผลอจับพวงอะไรไม่ดีก็ออกไปตามถนนบ้างแล้วก็เรารู้ตัวเมื่อไหร่เรา ก, รรก็กลับมาในทางของเรานะการเดินทางในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเผลอไปไม่เป็นไรก็กลับมาใหม่เผลอไปไม่เป็นไรกลับมาใหม่นกะลับมาบ่อยๆนะั่นแหละคือการปฏิบัติเนาะ นะาการเจอสตินะเนี่ยจะช่วยให้เราเรียกว่าสามารถเข้าถึงมรรคมีทงแตรได้จริงๆนะเข้าใจเรื่องอริกรนะีสต์สนีสิ่งที่เป็นหัวใจที่ของพระพุทธศาสนาได้จริงๆนะเราพยายามปฏิบัติตรงนี้นะทําอะไรก็ได้นะถ้ามีความรู้สชกตัวอยู่นะมันจะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะแต่ทําอะไรก็ได้นี่คือมันก็ต้องรู้ตัวแบบจริงๆนะไม่ใช่บางที เราทํากิดสินนะเราบอกว่าเราเรารู้สึกกลัวอยู่มันก็ไม่ใช่นะอืมีเหมือนกันนะมีนักปฏิบททัติธรรมกีเด็กมีเด็กวิทยาลัยนะมาปฏิบททัติธรรมที่วัดนะพอกลับไปที่วิทยาลัยอยู่ะนะอาจารย์ที่พามาปฏิบททัติก็เสนเด็กนะมันกินเหล้านะกินเหล้าอาจารย์ก็ถามทําไมเธอมากินเหล้าเด็กเพิ่งกลับมาจากวัดนะก็ผมกินเหล้าผมก็มีสติกนะ ผมยกแก้วขึ้นมาผมก็รู้นะผมดื่มเล่าลาไปผมก็รู้นะอันนั้นมันรู้แค่กายนะแต่ใจมันเฉโกนะมันเฉมมันโกลนะเพราะว่าอะไรมันรู้วันนี้ไม่ดีแต่มันก็ ย, ยังกินอยู่ก็ไม่ใช่นะอ่านะมันต้องรู้แล้วก็ต้องละให้ได้อันนี้ไม่ดีมันละได้นะรู้แค่กายนะว่าเคลื่อนไหวอันนี้ก็อย่างนะแต่ต้องรู้ให้ทันกิเลสที่มันเป็นความคิดขึ้นมาด้วยนะส่วอหนึ่งนะ รู้กายรู้ใจออทั้องอย่างควบคู่กันไปอันนี้คือการปฏิบัตรริภาวนาเนาะเขาที่ว่าวันนี้ก็ผู้นาให้ปฏิบัติในตอนเช้าสําหรับผู้เก่าเขาคงคงหาที่ปฏิบัติข้างนอกก็ได้นะักเด็กข้างในก็ได้นะสำหรัผู้ห ใ, หใหม่ที่ยังไม่เคยปฏิบัติจะจะให้ไปจากคุนท่านแนะนําในการปฏิบัตินะ ไม mm ่ hmm. mm hmm.